พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นำเอาไปใช้ในการพัฒนาชีวิตจิตใจให้สุขให้เจริญขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าวันนี้ ที่เราจะฟังกันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราจงอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้มันพิจาจรณาอยู่เนืองๆเรื่องของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารร่างกายที่เป็นของ ชั่วคราวคือมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการแกร่มีการเจ็บและมีการตายไปเป็นธรรมดาร่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายไปไม่ได้ให้หมันพิจารณาอยู่เรื่อยเพื่อที่เราจะได้ไม่ประมาทนอนใจเพื่อที่เราจะได้ ทำประโยชน์ให้กับตนและประโยชน์ให้กับผู้อื่นต่อไปความไม่ประมาณนี้ทรงให้สอนให้พิจารณาระลึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเช่นหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ต้องตายหรือหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ต้องตาย ความเป็นความตายอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนี้เองเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงไม่ลืมว่าชีวิตของเรานี้มีขอบเขตมีเวลาไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ในโลกนี้ไปได้เรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุด เมื่อเรารู้ว่าชีวิตของเรานี้จะสิ้นสุดลงได้เวลาใดเวลาหนึ่งเราจะได้มาพิจารณาดูว่าเราควรจะทำอะไรกันเราควรจะทำตามความอยากของเราหรือเราควรที่จะทำตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เรามา ดังนั้นหยุดความอยากต่างๆเพราะความอยากนี้เป็นตัวที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันความอยากในลาบยศสารเสริญสุขนี่เป็นเหตุที่พาให้เราต้องมามีร่างกายมาเกิดมาแก่มาเจ็บแล้วก็ต้องมาตายไป ลาบยศสารเสนสุขที่เราหาได้มากน้อยเพียงไงในขณะที่เรามีชีวิตอยู่พอเราตายไปเราก็ไม่สามารถที่จะเอาราบยุศสารเสญสุขติดไปกับเราได้เลยแม้แต่นิดเดียวเอาไปได้ก็คือความอยากที่ยังอยากจะได้ราบยศสารเสนสุขอยู่ ความอยากที่อยากจะได้ลาบยศสารเสริญสูงนี้แหละที่เป็นเหตุที่พาให้เราต้องมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆเกิดแล้วก็ต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายเจอกับความพัดพลาดจากสิ่งต่างๆที่เรารักและเราชอบทำให้เราต้องเศร้าโศกเสียใจร้องขมร้องไห้ไป น้ำตาที่เราหลั่งมาในแต่กระพบแต่ละชาตินี้มีจำนวนมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรนี่คือปริมาณของการเวียนว่าตายเกิดของเราเนื่องจากที่เราไปทําตามความอยากได้ราบยศสรรเสริญ ส, สุดนี้ ดัง น, นั้นเราจรึงควรที่จะหมั่นถามตัวเราเองอยู่เรื่อยว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรอยู่เรากําลังหาราบยศแสนเสริญสุขหรือว่าเรากําลังหาการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราต้องการให้การเวียนว่ายตายเกิดของเรานี้สิ้นสุดลง เราก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราทำทานให้เรารักษาศีลให้เราภาวนากันเพราะการบำเพ็ญทานศีลภาวนานี้เป็นวิธีการกำจัดความอยากต่างๆที่มีในใจของเราให้หมดสิ้นไปตามลำดับ เมื่อความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราได้รับการกําจัดหมดสิ้นไปจากใจแล้วใจของเราก็จะไม่มีอะไรมาผักดันให้ไปเกิดอีกต่อไปเมื่อเราไม่ต้องเกิดแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายกันไม่ต้องมาร้องห่มร้องไห้เศร้าสศกเสียใจกัน ดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะหมั่นถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆทุกวันทุกเวลาก็ค mm. ื อ, อวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังหาลาบยศสารเสริญสุขกันหรือว่าเรากำลังหาทานศีลภาวนากันให้เราหาทานศีลภาวนากัน mm. เพราะทานศีลภาวนานี้จะเป็น <c oughs> เครื่องมือที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่การหาราบยศเสริญสุขนี้เป็นการเพิ่มภพชาติให้มีต่อไปอยู่เรื่อยๆเพราะการหาราบยศเสริญสุขนี้หาด้วยความยาก สประการด้วยกันที่เป็นเหตุของการมาเกิดแผ่เจ็บตายก็คือการมาังหาความอยากหาความสุขจากการมคุมทั้งหก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผพัชชนิดต่างๆความอยากมีอยากเป็นเช่นอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามอยากรูปหล่ออยากเด่นอยากดังเป็นต้นแล้วก็ความ ความอยากชนิดที่สามก็คือวิภวตัณหาความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความอยากไม่เจอกับเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ปรารถนากันความอยากเหล่า น, นี้เป็นเหตุที่จะพาให้เราจะต้องมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆเราจะหยุดความอยากเราก็ต้องหยุดการหารากรดสารเสรื่อสุข หยุอหาเงินทองเพื่อให้เราล่ำรวยเพื่อให้เรามีเงินทองมากๆเพื่อที่เราจะได้ใช้เงินทองนี้ไปกับการหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีใ น, น่องนี้ก็คือการหารูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบต่างๆนี่เองาการจะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณ์ในรูปแบบต่างๆได้ก็จำเป็นที่จะต้องมีเงินมีทอง เป็นเครื่องมือเราเห็นของที่เราถูกใจเราเห็นก็เรียกว่าเราเห็นรูปของฟุ่มเฟือยต่างๆของที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพเราเห็นเราชอบเราอยากได้ถ้าเรามีเงินเราก็จะซื้อของที่เราชอบที่เราอยากได้มาเพราะเวลาที่เราได้มาเราจะมีความรู้สึกมีความสุขถ้าเดียว พักพัหนึ่งความสุขที่ได้จากรูปที่เราได้สัมผัสก็ผ่านไปแล้วเราก็จะเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาเวลาไปสัมผัสรูปเสียงกลิ่นก็อย่างอื่นๆเราก็อยากจะได้เพราะเวลาที่อยากแล้วถ้าไม่ได้มันรู้สึกไม่ไม่มีความสุขต้องต้องให้ได้สิ่งที่อยากได้มาแล้วมันจะทําให้เรามีความสุขกัน แต่ความสุขที่เราได้จากการที่เราไปซื้อข้าวของต่างๆมาให้กับเรานี้มันก็เป็นความสุขที่ไม่ให้ความอิ่มความพอได้มาแล้วความสุขที่ได้มาไม่นานก็หมดไปความอยากความหิวอยากได้ความความสุขใหม่ก็เกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆมันก็จะทำให้เราจะต้องคอยไปหาเงินหาทองมา ใช้ซื้อของต่างๆเพื่อให้เรามีความสุขกันการหาเงินหาทางนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นถ้าเราหาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องไม่ใช่เป็นเรื่องของความอยากหาได้วนเราทุกคนมีร่างกายที่เราจะต้องคอยดูแลเลี้ยงดูกันเราก็ต้องมีปัจจัยสี่ที่ร่างกายต้องการ คือต้องมีอาหารให้กับร่างกายมีเครื่องนุ่ห่มให้ร่างกายไว้สวมใส่มีที่อยู่อาศัยไว้หลบแดนหลบฝนหลบภัยต่างๆแล้วก็มียารักษาโรคไว้เพื่อที่จะรักษาพยาบาลเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเป็นถ้าถ้าการหาราบหรือหาเงินทองเพื่อประโยชน์อันนี้ ไม่ได้ถือว่าเป็นการทำตามความอยากแต่เป็นการทำตามความจำเป็นการทำตามความจำเป็นนี้ไม่ใช่เป็นความอยากแล้วก็จะไม่ทำให้เกิดความโลภอยากได้มากเกินความจำเป็นนั่นเองถ้าเราหาหาเงินทองมาพอเลี้ยงร่างกายของเราได้แล้ว เราก็จะรู้สึกว่าพอแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องมีมากไปกว่า น, นี้น่างกายของเราอยู่ได้แล้วอย่างนี้ไม่ได้เป็นความอยากไม่ได้เป็นการสร้างพบสร้างชาให้กับเราการหาเงินทางนี้ก็ยังเป็นของจำเป็นอยู่สำหรับผู้คลองเรือนเช่นศรัทธายาดโยมาะไม่มีใครเลี้ยงดู เหมือนกับพวกนักบวชพวกนักบวชนี้เขามีศรัทธาญาติโยมคอยเลี้ยงดูอยู่เขาก็เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำมาหากินหาเงิ น, ห า, งนหาทองมาเลี้ยงชีพของเขา mm. ก็ทำให้เขาจะได้มีเวลาไปในใช้ในการศึกษาพระธรรมธรสอนของพระพุทธเจ้า แล้วนำเอาคำสอนที่ได้ยินได้ศึกษานี้ไปปฏิบัติเพื่อกำจัดความอยา ก, ยากต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปแล้วถ้าหลังจากที่เขาได้กำจัดความอยากหมดสิ้นไปทำให้จิตใจของเขานี้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วเขาก็จะนำเอาความรู้ ความสามารถที่เขาได้เรียนได้ศึกษาได้ปฏิบัตินี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ศรัทธาญาติโยมต่อไปเป็นการทดแทนบุญคุณของศรัทธาญาติโยมที่ได้สนับสนุนอุปถัมภ์อุปถามให้นักบวชทั้งหลายมีเวลาในการศึกษาในการปฏิบัติธรรม ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสียเวลากับการทำอาหากินเลี้ยงที่อันนี้ก็เลยถือเป็นหน้าที่ของสองฝ่ายด้วยกันคือฝ่ายศรัทธาญาติโย่ก็ทำหน้าที่สนับสนุนเลี้ยงดูนักบวชพุทภาภิกสุสัมมเนงแม่ชีทั้งหลายที่ฝ่าย ปการหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้มีเวลาให้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ส่วนหน้าที่ของนักบวชที่ศัทธายาอยู่ได้สนับสนุนเนื้ยงดูก็มีหน้าที่ศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ศึกษาแล้วก็ให้นําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ไปปฏิบัติ เพื่อที่จะได้กาจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจเมื่อความอยากได้ถูกกาจัดหมดสิ้นไปแล้วจิตใจก็จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อทำภารกิจของตนเองได้สิ้นสุดลงแล้วก็จะได้มีเวลามาทำภารกิจมาทาประโยชน์ให้แก่ราาศรัทธาญาติโยม ผู้ที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติเพื่อให้ความอยากต่างๆหมดสิ้นไปจากใจแล้วก็จะได้นามาไปปฏิบัติต่อไปนี่คือหน้าที่ของชาวพุทธของชาวพุทธเราสองสองฝ่ายฝ่ายคารวะญาติโยนก็สนับสนุนเรื่องเด นักบวชด้วยปัจจัยสี่คืออาหารบินทะบาจีวรเครื่องนุ่หลกุฏิที่วาสัยและยารักษาโรคส่วนนักบวชก็มีหน้าที่ศึกษาปฏิบัติเพื่อให้ได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานให้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อได้บรรลุแล้วได้หลุดพ้นแล้ว ก็จะได้นนวทางความรู้ที่ได้จากการหลุดพ้นนี้มาเผยแผสั่งสอนให้แก่กาญญาศรัทธายาดโยมต่อไปนี่คือกิจของพระภิกษุนักบวชนักกิจของกาลาวาดผู้ครองเรือนมีความต่างกันเพราะว่าทำหน้าที่ต่างกันกาลาวาดผู้ครองเรือนนี้ ยังอยู่ภายใต้อนานาจของความอยากอยู่ยังไม่สามารถที่จะสู้หรือกำจัดความอยากได้ก็เลยต้องใช้การปฏิบัติขั้นต้นของการกำจัดความอยากก็คือการทาบุญทาทานการทาบุญทาทานนี้ก็เพื่อลดความอยากได้เงินได้ทองมากเกินความจําเป็นนั่นเอง การหาเงินหาทองนี้หาได้ถ้าหาเพื่อการเลี้ยงชีพของร่างกายเพราะนี่เป็นหน้าที่ที่จะต้องเลี้ยงดูร่างกายที่มีคุณค่าอันเป็นเสริอแก่จิตใจเพราะถ้าร่างกายตายไปก็จะไม่สามารถศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ ดังนั้นการทำหน้าที่ของคารวะญาติอยู่ในการทำมาหากินเลี้ยงชีพนี้ยังควรจะมีขอบมีเขตอย่าทำมาหากินเพื่อให้ร่ำให้รวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านอันนี้มันไม่เกิดประโยชน์ต่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่กลับจะเป็นการปูกบั้น ให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเพราะถ้าเราหาเงินด้วยความอยากคิดว่าเงินทองนี้จะช่วยกำจัดความทุกข์ต่างๆให้กับเราได้อันนี้จะเป็นความเข้าใจผิดเพราะการได้เงินทองมานี้มันก็จะกระตุ้นให้เราเกิดความอยากที่จะใช้เงินทองมากขึ้นไปแล้วเมื่อมีความอยาก ขึ้นมามากขึ้นมาในใจความทุกข์ใจก็จะเกิดมากขึ้นตามมาไม่ใช่จะน้อยลงไปเพรฉะนั้นต้องถ้าเป็นผู้ครองเรือนอยังต้องทำมหากินเลี้ยงชีพยอยู่ก็ต้องมีขอบเขตในการทำมาทำมหากินเช่นหาเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงชีวิตของตนเอง และชีวิตของครอบครัวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย mm hmm. เมื่อมีพอเพียงต่อการเลี้ยงชีพแล้ว mm hmm. ก็ควรที่จะหันเอาเวลามาให้กับการศึกษาปฏิบัติ mm hmm. พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะดีกว่าเ mm hmm. พราะปัญหาของพวกเราทุกคนนี้ mm hmm. ก็คือปัญหาของการเวียนว่ายตายเกิดเอง พวกเรานี้ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่จะต้องกลับมาเกิดมาแก่เมื่อเจ็บมาตายอีกไม่รู้กี่รอบด้วยกันถ้าเราไม่ได้มีโอกาสได้ศึกษาได้ปฏิบัติพระธรรมคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราถือว่าโชคดีที่ได้มาเกิดในในสมัยที่มีพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า อยู่ในโลกนี้เพราะว่าถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระธรรมคำสอนเราก็จะไม่รู้เลยว่าเรากําลังทําอะไรกันอยู่ทําเพื่ออะไรเราคิดว่าเราทําเพื่อความสุขแต่มันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขชั่วในขณะที่มีชีวิตอยู่ความสุขที่เราได้จากลาบยศสารเสริญมหนรูปเสียงกลิ่นรสผลตภัตต่างๆ แต่เราไม่รู้ผลผลกระทบที่ตามมาจากการที่เรามาหาความสุขจากโลกธรรมก็คือหาความสุขจากลาบยศ ส, สรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสว่ามันมีผลที่จะทำให้เรานี้จะต้องกลับมาเกิดใหม่อยู่เนื่อยๆแล้วก็มาหาความสุขจากลาบยศ ส, สรรเสริญ จากรูปรรรเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชย์อย่าเรื่อยๆอันนี้เราไม่รู้กันเราเพียงแต่คิดว่าในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ขอให้เรามีความสุขกันขอให้เราอย่ามีความทุกข์กันเราก็เลยเห็นว่าการมีลาภยศเสรเสริญการได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆนี้ทำให้เรามีความสุขกัน แต่มันเป็นความสุขชั่วคราวความสุขชั่วขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือในขณะที่ร่างกายยังสามารถที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ได้อยู่ <c oughs> แต่ธรรมชาติของร่างกายของพวกเรามันก็เป็นของชั่วคราวเป็นของที่ไม่แน่นอนก็เรียกว่าอันนี้จังไม่เที่ยง มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ <S <S 2> <S 2> ในช่วงแรกๆของการเกิดนี้ก็มีแต่การเจริญเติบโตช่วงนั้นก็ร่างกายก็ไม่ได้แสดงความทุกข์ให้เราได้เห็นกันมากนักเพราะร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีแต่จะเจริญเติบโตใหญ่ขึ้นมีกำลังมากขึ้นมีความสามารถที่จะทำลายได้มากขึ้นไปตามลาดับ แต่พอร่างกายได้จเจริญเติบโตจนเต็มที่แล้วทีนี้ร่างกายก็จะเริ่มเสื่อมลงไปทีละเล็กทีละน้อยร่างกายก็จะค่อยมีปัญหาต่างๆปรากฏขึ้นมามีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมาอยู่ทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้ ความสามารถในการหาความสุขจากโลกธรรมนี้ลดน้อยถอยลงไปแล้วจะทำให้เราเริ่มมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นภายในใจของเราทั้งๆ ท, ที่เราไม่อยากจะทุกข์กันแต่ความสามารถของร่างกายที่จะไปห า, าธธราภยศสารเสริมสุขมาบารงบาเลอมันก็จะลดน้อยถอยลงไปตามลำดับแล้วก็ความทุก ก็จะมีความเพิ่มมากขึ้นไปเนื่องจากการที่ไม่สามารถตอบสนองความอยากต่างๆได้นั่นเอง <c oughs> อันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นกับร่างกายของพวกเราทุกคน <c oughs> เราจึงอย่าไปหวังพึ่งความสุขจากการหาลาบยศชะละเสริญจากลูกเสียงกินลดมาให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียว <c oughs> เราควรที่จะหา วิธีหาความสุขแบบทดแทนมาเสริมเวลาที่เราไม่สามารถที่จะหาความสุขจากราบยุศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดโะพ้ชนีต่างๆได้แล้วก็คือให้เรามาหาความสุขจากการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสร้างความสุขด้วยการลดความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจของเราให้ลดน้อยถอยลงไป mm hmm. เช่นการทำทานนี้ก็เป็นการลดความอยากล่มอยากรวย mm hmm. ก่อนเหตุก่อนผลนั่นเอง mm hmm. ให้เราหาเงินหาทองเพื่อพอต่อการเลี้ยงชีพ mm hmm. แล้วถ้าเราหามาได้มากไปกว่า น, นั้น mm hmm. ก็อย่าไปเก็บเอาไว้ถ้าเราไม่มีความจาเป็นจะต้องใช้มันเพื่อเลี้ยงดูร่างกาย ถ้าเราเอาเงินทองที่ได้มากกว่าความจําเป็นไปใช้กับการทําความอยากเ<ม>ช่เนไปซื้อของต่างๆที่ไม่จําเป็นจะต้องซื้อแต่เราอยากได้เพราะซื้อแล้วเราจะมีความรู้สึก ม, มีความสุขชั่วคราวมไม่ควรทำใช้เงินแบบนี้เพราะมันจะทําให้เราติดติดกับการใช้เงินซื้อความสุขต่างๆจากสิ่งต่างๆ แล้วซื้อมาได้เท่าไหร่ก็ darum, ไม่อิ่มไม่พอจะต้องซื้อค อ, อยซื้ออยู่เรื่อยๆเมื่อเราต้องคอยซื้ออยู่เรื่อยๆเงินทองที่เรามีอยู่มันก็จะหมดไปไม่พอใช้ได้<ง>มันก็จะต้องทําให้เราต้องไปหาเงินทาทองมาเพิ่มอยู่เรื่อยๆ<ง>ซึ่งมันก็จะเอาเวลาอันมีค่าของเราที่เราจะเอามาใช้ในการศึกษาในการปฏิบัติ ตามพระธรรมคำสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง mm hmm. ดังนั้นวิธีการที่เราจะส ก, กัดความอยากที่จะใช้เงินทองซื้อของฟุง่งเฟือยซื้อของที่ไม่จําเป็น mm hmm. เพื่อามาบํารุงบําเล่นั้น mm hmm. ให้เอาเงินทองที่จะไปซื้อของฟุง่งเฟือยนี้ที่ที่มีเงินทองที่เราไม่ไม่ไม่ไม่จําเป็นที่จะต้องมีหรือเก็บเอาไว้ mm hmm. ไปเลี้ยงดูร่างกายของเราเงินทองส่วนเกินนี้แทนที่จะเอาไปใช้ซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของหรูหราซื้อของที่จะกระตุ้นความอยากของเราให้มีมากขึ้นไปอยู่เรื่อยๆนี้ให้ไปเอาไปทําบุญทําทานจะดีกว่าเพราะการทําบุญทําทานนี้จะสกัดกา้นความอยากที่จะใช้เงินทอง ซื้อความสุขต่างๆจากของฟุ่มเฟือยของหรูหราต่างๆนั่นเอง mm hmm. ทุกครั้งที่เราอยากจะเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟื hmm. อยเพราะเราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราเราก็เอาเงินนี้ไปทำบุญทาทานจะดีกว่าเพราะความสุขที่เราได้จากการทำบุญทาทานนี้มันเป็นความสุขที่ <c oughs> ที่หนักแน่นกว่าและอ ย, อยู่ในใจของเราได้นานกว่า ความสุขที่ได้จากการไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปซื้อของหรูหราหรือการไปการไปซื้อรูปเสียงจิ่นลดในรูปแบบอื่น mm hmm. ๆเช่นการไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ mm hmm. การไปดูมรรสพบันเทิงต่างๆ mm hmm. เหล่านี้ก็เป็นการกระตุ้นความอยากให้มีมากขึ้น mm hmm. ไม่ได้ทําให้เกิดความอิ่ม mm hmm. เกิดความพอ เหมือนกับการเอาเงินเอาทองนี้ไปทำบุญทำทานเวลาเราได้ทำบุญทำทานแล้วใจของเรานี้จะมีความรู้สึกอิ่มเอิบใจมีความสุขใจแล้วหลังจากที่เราได้ทำไปแล้วเวลาอาจจะผ่านไปหลายวันหลายเดือนทุกครั้งที่เรานึกถึงบุญที่เราได้ทำอยู่นั้นความรู้สึกอิ่มใจสุขใจมันก็จะเกิดขึ้นมาทุกครั้งไป เพราะบุญนี้ยังไม่ได้สูญหายไปยังยังเก็บไว้อยู่ในใจต่อไปเพราะบุญนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องอาศัยต่อไปหลังจากที่ร่างกายของเรานี้ตายไปแล้วถ้าเรายังไม่ได้ยุติการวิว่าณตายเกิดถ้าเรายังไปไม่ถึงนิพพานใจของเราก็ยังจะต้องไปเกิดใหม่นะไปรับและในช่วงที่ยังไม่ได้เกิดยังไม่ได้ร่างกาย ใจก็จะได้มีบุญมาเลี้ยงดูใจถ้าทำบุญทาทานดวงวิญญาณก็จะได้มีความสุขดวงวิญญาณที่มีความสุขนี้เราก็เรียกว่าสวรรค์นี่หรือเทวดาชั้นต่างๆอันนี้คืออา น, นิสงส์ที่เราจะได้รับจากการทำทำบุญทาทานการที่จะเอาเงินนี้ไป ซื้อความสุขตามความอยากต่างๆการทําบุญทำทานนี้ก็จะสกัดความอยากได้ในระดับหนึ่งความอยากที่จะใช้เงินทองไปซื้อความสุขจากสิ่งของต่างๆของฟุ่มเฟือยของหรูหราหรือการไปหาความสุขจากมรรคมาหอลสบบันเทิงต่างๆหรือความสุขจากการได้เดื่มจากการได้รับประทานอะไรต่าง ๆ, ๆนี้เราสามารถ ใช้การทำหมุญทำทานนี้เป็นการสกัดความอยากเหล่านี้ได้นะมันจะทำให้ความอยากที่จะไปซื้อความสุขจากของหรูหราของฟุ่มเฟือยจากของจากมหรสยบันเทงิงต่างๆนี้ลดน้อยลงไป <S <S 2> <S 2> เราสามารถที่จะอยู่เฉยๆได้โดยที่ไม่รู้สึกหลุดหยิดลำคาญใจแต่ถ้าเราเคยเอาเองินนี้ไปใช้กับการซื้อของ ฟุ่มเฟือยของหรูห้าหรือการไปเที่ยวไปกินไปดื่ม น, นี้มันจะทําทให้เราอยากคอยกระตุ้นให้เราไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปซื้อของฟุ่มเฟือยอยู่เรื่อยๆ <S <S เวลาที่เราไม่ได้ซื้อหรือไม่มีกําลังจะซื้อมันก็จะทําทให้เรามีความรู้สึกหงุดหงิดลาคาญใจ <S <S แล้วมันก็จะบังคับให้เราต้องไปทํามาหากิน <S <S ดิ้นรนต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ <S <S บางครั้งถ้า การหาเงินทองโดยวิธีสุดจริญนี้ไม่สามารถนำมาตอบสนองความอยากได้บางครั้งบางคราวก็อาจจะต้องไปทำบาปเพื่อที่จะได้เงินทองมาตอบสนองความอยากการทำบาปนี้มันง่ายการหาเงินหาทองด้วยวิธีทำบาปมันง่ายเพียงแต่โกหกหรือช่อโกงหลอกลวงก็สามารถที่จะได้เงินทองมา แต่การกระทาแบบนี้ถึงแม้จะได้เงินทองมาก็ตามแต่มันมีโทษติดมากับเงินทองที่ได้มาก็คือบาปกรรมนี้เองบาปกรรมนี้มันก็จะส่งผลให้กับจิตใจผู้ทำบาปเวลาทำบาปแล้วใจก็จะทุกข์ใจก็จะร้อนใจก็จะไม่มีความสุขแล้วบาปนี้ก็ยังจะสะสมไม่ยอยู่ในใจต่อไปเวลาที่ร่างกายตายไป ใจก็จะถูกกำนาจของบาทนี้สร้างความทุกข์สร้างความรุ่มร้อนใจให้ให้กับใจความรุ่มร้อนใจความทุกข์ใจนี้เราก็เรียกว่าบายนึกทุกขติคือในขณะที่ดวงวิญญาณยังยังไม่ได้ไปเกิดยังรอลร อ, ร, อร่างกายมมาอยู่ช่วงนั้นก็จะถูกกำนาจของบุญหรือของบาทที่ได้ทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ มาส่งผลให้กับดวงวิญญาณในขณะนั้นถ้าได้ทำบุญทําทานก็จะได้ความสุขความอิ่มใจความสบายใจมาหอเลี้ยงจิตใจจิตใจก็ดวงวิญญาณก็จะเป็นสวรรค์นในช่วงนั้นถ้าได้บาปมาส่งเสริมมาได้ความทุกข์ความรุ่มร้อนจิตใจมาส่งเสริมดวงวิญญาณดวงวิญญาณก็จะทุกข์ร้อน ก็จะอยู่ในอบายอันนี้แหละคือหน้าที่ของการทำบุญทำทานหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้เราใช้เงินไปตามทำตามความอยากที่จะพาให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆสองมันจะช่วยสกัดการไปทำบาปได้เพราะเมื่อเราไม่มีความอยากที่จะซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเงินทองที่เรามีพอเพียงนี้ก็จะไม่ได้หมดไป อย่างง่ายดายเราก็จะไม่มีอะไรมาคอยกดดันให้เราต้องไปคอยทำบาปเพราะว่าถ้าเราใช้เงินทองแบบฟุ่มเฟือยซื้อซื้อของที่ไม่จําเป็นมันจะติดเป็นนิสัยแล้วจะใช้เงินทองมากแล้วมันก็จะทำให้เงินทองที่มีอยู่ไม่พอใช้แต่ก็ยังต้องการจะใช้อยู่ก็อาจจะต้องไปทำบาปกัน แต่ถ้าเราใช้เงินทองแบบมีเหตุมีผลหาเงินทองมาเป้าหมายของการหาเงินหาทองเป้าหมายแรกก็คือเลี้ยงดูร่างกายของเราให้ร่างกายของเราอยู่เป็นปปฏิสุขไม่ทุกข์ยากไม่ทุกไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นต้นแล้วก็ถ้ามีมากกว่าที่เรามีความจาเป็นเราก็เอาเงินทองนี้ไปทำบุญทาทานแทน ถ้าเราอยากจะมีความสุขทางจิตใจความสุขทางจิตใจนี้แทนที่จะเอาความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปกินไปดื่มเราก็เอาไปเอาสร้างความสุขที่ทำให้จิตใจเรามีความอิ่มความพอจะดีกว่า<ม>เวลาทำบุญแล้วเราไม่เรไม่มีความรู้สึกอยากจะไปเที่ยวที่ไหนไม่อยากจะไปดูไปฟังอะไรอยู่บ้านเฉยๆก็มีความสุขได้ แต่ถ้าใช้เงินเพื่อซื้อของหรูหราซื้อของฟุ่มเฟือยเอาไปเที่ยวเอาไปกินไปดืม่มนี่<ม>เวลาไม่ได้เที่ยวไม่ได้กินไม่ได้ดืม่มมันก็จะรู้สึกหลดเหยียดลงคาใจรู้สึกเศร้าซ้อยหงอยหเหงาขึ้นมามจะต้องจะต้องหาวิธีให้ไปให้ไปซื้อไปเที่ยวไปกินไปดืม่มต่อไปได้<ม>ถ้าต้องทําบาป ก, ก็จะต้องก็จะไปทําบาป ก, กัน แล้วมันก็มีผลตามมาหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจที่ได้ทําบุญอยู่นเรื่อยๆก็จะไปสู่สุขคติไปสู่สวรรค์ใจที่ทําตามความอยากแล้วก็ไปทําบาปเพื่อหาเงินมาใช้ตอบสนองความอยากตายไปใจก็จะไปอยู่ในทุกขคติอยู่ในอบายจนกว่าเมือ่อพร้อมที่จะเมือ่อเมื่อบาปหรือบุญที่ได้ทําไว้นั้นหมดมันหมดกำลังแล้ว ก็จะไปรอรับร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่อีกรอบหนึ่งเมื่อมัอมาเกิดใหม่ก็จะมาทำอย่างที่เคยทำอยู่ต่อไปนิสัยเคยทำอะไรมันก็จะติดนิสัยไปกับเราถ้าพบนิชานี้เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้ศึกษาและมีศรัทธาที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นทรบุญทำทานรักษาศีลภาวนา เวลาเราตายไปถ้าเรายังไม่ได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเรายังไปไม่ถึงนิพพานเวลาเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะมาทำทำตามที่เราเคยได้ทำไว้ในชาติก่อนต่อไปถ้าเราเคยทำทานชอบทำทานเราก็จะกลับมาทำทานถ้าเราชอบรักษาศีลเราก็จะกลับมารักษาศีลถ้าเราชอบภาวนาเราก็จะกลับมาภาวนาต่อ งานที่เราเคยทำค้างๆไว้มันก็สามารถทำต่อได้แล้วไม่ช้าก็เร็วเราก็จะสามารถเข้าถึงจุดหมายปลายทางของงานที่พระเจ้าได้ส่งมอบให้กับพวกเรา<ม>ก็คือการยุติการเวียนว่ายตายเกิด<ม>การไปสู่พระนิพพานนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราจะต้องคอยถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่า วันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรกันอยู่เรากําลังหาราภยศเสรเสริญสุขกันหรือว่าเรากําลังหาทานสีธภาวนากันถ้าเราหาราภยศเสรเสริญสุขก็ขอให้หรือว่าเรากําลังสร้างพบสร้างชาติให้มีเพิ่มมากขึ้นสร้างการเกิดแก่เจ็บตายให้มีการให้มีมากขึ้นสร้างความทุกข์ให้มีอยู่ในใจของเราเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเรา ทำทานรักษาศีลภาวนาเราก็กำลังลดลดความอยากให้น้อยลงไปลดความทุกข์ต่างๆให้น้อยลงไปลดภพชาติที่เราจะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดให้น้อยลงไปตามลำดแบบับเพิ่มความสุขลางใจให้มากขึ้นจนในที่สุดเราก็จะได้ความสุขเต็มเปลี่ยนอยู่ภายในหัวใจดังนั้นเป้าหมายของชีวิตของเรา ยงอยู่ที่การปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไ ป, ท, ปทำตามความอยากของกิเลสตัณหาคือความอยากหาความสุขจากลาบยศเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผธพภะเพราะมันเป็นการไปทาให้ดวงวิญญาณของเราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อ ย, อย mm hmm. ถ้าเราทำตามทางที่พุะเจ้าได้ทรงสอนไว้ mm hmm. ก็คือให้ทำทานรักษ า, ษาศีลภาวนา มันก็จะพาให้เราไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็คือไปสู่มรรคผลนิพพานตามลำดับของการปฏิบัติต่อไปดังนั้นเราถึงควรที่จะเอาเวลาที่เราว่างจากภารกิจการทำมาหากินอย่า เ, อาเวลาว่างนี้ไปใช้ในการหาความสุขทางตาหงษ์จมูกนิ้วกายแต่ให้เอาเวลาว่างนี้มาใช้กับการสร้างความสุข ทางทางใจด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาในเบื้องต้นก็ให้เราทำทานตามกำลังของเราเช่นถ้าเราทำมาหากินมีรายได้เอามาเลี้ยงดูร่างกายแล้วมีส่วนเหลืออยู่เราก็ถ้าเราอยากจะมีความสุขจากการใช้เงินทองที่ถูกต้องเราก็เอาเงินทองนี้ไปทำบุญทำทาน ทำกับใครก็ได้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องทำกับนักบวชเท่านั้นถึงจะได้บุญถึงจะได้ความสุขทำกับใครทำกับคารวะผู้คองเรือนก็ได้บุญเหมือนกันหรือแม้กระทั่งทำกับสัตว์เนราชาก็ได้บุญเหมือนกันเพราะคมว่าบุญนี้คือความสุขใจอิ่ใจที่เกิดจากการได้เสียสละแบ่งปัน เจาของเงินทองส่วนเกินที่เรามีอยู่นี้ให้แก่ผู้อื่นไปจะทำให้กับคนที่เรารักเราเคารพก่อนก็ได้เช่นบิดามารดาผู้มีพระคุณกับเราถ้าท่านเดือดร้อนถ้าท่านต้องการความช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งท่านไม่ต้องการความช่วยเหลือไม่เดือดร้อนแต่เราอยากจะตอบแทนบุญคุณอยากจะแสดงความกตัญญูกะตะเวทีการทำบุญทำทานกับบิดามารดาก็ได้บุญ ท่านบอกว่าท่านสอนว่าการทำบุญกับพ่อแม่นี้เหมือนเท่ากับได้ทำบุญกับพระอรหันต<ว><น>์พระอรหันต์ในบ้านก่อนที่เราจะไปทำบุญกับพระอรหันต์นอกบ้านเพราะเราเชื่อว่าการทำบุญกับพระอรหันต์นี้จะได้บุญมากกว่าทำบุญกับบุคคลธรรมดาแล้วก็ให้เราทำบุญกับกพระอรหันต์ในบ้านของเราก่อนยังดูพระอรหันต์ในบ้านของเราคือบิดามารดาของเรา ให้อยู่ดีกินดีให้สุขให้สบายก่อนแล้วหลังจากนั้นถ้าเราอยากจะไปทำบุญกับพระอาหารหันต์นอกบ้านเพื่อเราจะได้รับบุญมากๆ ก, กว่าการทำบุญกับบุคคลอื่นเราก็ค่อยไปทำต่อไปคาว่าการทาบุญกับพระอาหารหันต์หรือทำกับพระอาาริยบุคคลได้บุญมากกว่าการทำบุญกับคนธรรมดานี้มันก็มีเหตุมีมีความเป็นจริงแต่เราต้องแยกแยะว่ามันเป็น เรื่องของสองอย่างด้วยกันประโยชน์สองอย่างประโยชน์แรกที่เราได้จากการทำทำบุญคือการเสียสละแบ่งปันทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้เราจะให้ใครก็ได้สมมติว่าเรามีเงินร้อยบาทเราเงินให้ร้อยบาทให้กับใครก็ได้คนธรรมดาก็ได้หรือให้กับสัตว์เดรัจฉานก็ได้เช่นไปซื้อซื้อปลามาปล่อยอย่างนี้หรือว่า ไปบริาจาคให้กับสถานที่เลี้ยงดูสัตว์อนาถาสัตว์ที่ไม่มีใครดูแลไม่มีที่อยู่อาศัยเราจะเอาไปทําบุญใส่บาตกับผ้าอาหารอันนี้สองที่ได้จากการเสียสละแบ่งปันนี้มันเหมือนกันคือความสุขใจอิ่มใจนี้มันเท่ากันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยทําบุญร้อยบาทกับผ้าอะหันก็ได้ทําบุญร้อยบาทกับ พ่อแม่ก็ได้ทำบุญน้อยบาทกับคนธรรมดาสามัญคนที่ตกทุกข์ได้ยากเช่นขอทานข้างถนนก็ได้หรือทำบุญกับสัตว์เนรชาญหรือไปซื้อสัตว์มาปล่อยบุญที่ได้จากการเสียสละเงินก้อนนี้จะมีความรู้สึกเหมือนกันคือทำให้เกิดความสุขใจอิ่มใจเหมือนกันไม่ต่างกันแล้วที่ต่างกันนั้นคืออะไร อันนี้ก็คือบุญที่เราจะได้รับจากผู้ที่เราไปทาบุญด้วยก็คือธรรมะคนที่มีธรรมะมากที่สุดก็คือพอระอรหันต์ถ้าเราได้ทาบุญกับพระอรหันต์ถ้ า, ารเราได้ได้ศึกษาได้คุยกับท่านได้ยินได้ฟังทำคำสั่งคำสอนของท่านเราก็จะได้ธรรมะที่สูงสุดขั้นสูงสุดจากท่านแต่ถ้าเราไปทาบุญกับคนขอทานอย่างนี้ คนขอทานเขาก็ไม่มีธรรมะอะไรที่จะมาให้กับเราอย่างมากเขาให้กับเราได้ก็คือขอบอกขอบใจยกมือไหว้เราเท่านั้นเองอันนี้ก็คือคือผลบุญที่ต่างกันกับบุคคลต่างๆที่เราไปทาบุญด้วยอย่างที่ในมีในพระคำมพร์แสดงไว้ว่าถ้าทมบุญกับคนธรรมดานี้จะได้สิบเท่าทำบุญกับพระภิกษุที่ มีศีลบริสุทธิ์จะได้ร้อยเท่าทําบุญกับพระภิกษุที่ได้สมาธิจะได้พันเท่าทําบุญกับพระภิกษุที่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันก็จะได้หนึ่เท่าทําบุญกับพระอริยสัจขั้นต่อไปก็จะได้มากขึ้นไปจนถึงขั้นสูงสุดก็คือได้ทําบุญกับพระพุทธเจ้าเพราะประโยชน์เลิกธรรมะคาสอนที่จะได้จากบุคคลเหล่านี้นั้นมีมากน้อยไม่เท่ากันนั่นเอง ถ้าได้ทําบุญกับพระพุทธเจ้าได้เจอพระพุทธเจ้าใส่บาตรกับพระพุทธเจ้าฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเราก็อาจจะบรรลุมรผลนิพพานในขณะที่ฟังธรรมเลยก็ได้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตยอยู่เวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแต่ละครั้งนี้มีผู้ฟังนี้สามารถบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้จากการฟังธรรมเลยเพราะอํานาจบา ร, รมีของพระปัญญาของพระพุทธเจ้านี้ สามารถที่จะส่งเข้าไปในจิตใจของเราทำให้จิตใจของเราสว่างสวเห็นผิดเห็นถูกเห็นคุณเห็นโทษได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวอันนี้ต่างกันอันนี้ส่งที่ได้จากการทำบุญกับบุคคลต่างๆแบบส่วนนี้ต่างกันแต่ส่วนที่ไม่ต่างก็คืออันนี้ส่งที่ได้จากการเสียสละแบ่งปันเงินทองที่เรามีอยู่ไปนี้ให้ใครก็ได้เท่ากัน อันนี้ก็คือทำความเข้าใจให้ทราบว่าว่าบางทีเราจะไปเลือกทำกับผ้าอาหารอย่างเดียวก็ไม่ถูกเพราะเรื่องของความจำเป็นนี้ร่างกายของคนทุกคนมีความจำเป็นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผ้าอาหารไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของเราขอทานหรือสัตว์เดรัจฉานเขาก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีปัจจัยสี่ไว้เลี้ยงดูเขาถ้าเขาอดอยากขาดแคนเราก็ต้องหาปัจจัยสี่ให้เขาได้ เยียวยาเลียงดูร่างกายของเขาดนัการที่เราเลี้ยงดูหรือช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากนี้ไม่ว่าจะช่วยเหลือใครนี้ก็ถือว่าได้บุญเท่ากันคือความรู้สึกอิ่มใจสุดใจสบายใจแต่ส่วนที่เราจะได้รับจากผู้ที่เราไปช่วยเหลือนี้มันต่างกันเท่านั้นเองนี่ก็คือเรื่องของการทําบุญทําทานเพื่อเป็นการ หาความสุขในระดับของผู้ครองเรือนไปก่อนถ้าเรายังไม่สามารถไปหาความสุขในระดับของนักบวชได้เราก็ใช้วิธีการหาความสุขจากการทาบุญทำทานไปตามกำลังของเราคอยสกัดความอยากต่างๆที่จะเดึองเอาไปหาเงินหาทองมาเพื่อมาซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซึ่งของฟุ่มเฟือยหรือของที่ไม่จาเป็นเหล่านี้ก็เป็นเหมือนยาเสพติดของของจิตใจนั่นเอง พอเมื่อซื้อมาแล้วมันจะติดมันจะติดการซื้อต้องไปซื้ออยู่เรื่อยๆต้องไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆต้องไปกินไปดื่มอยู่เรื่อยๆบันใดเวลาใดที่ไม่ได้ไปกินไปดื่มไปเที่ยวก็จะรู้สึกเศร้าซ้อยง่อยเงาขึ้นมาอย่าใช้เงินทองในรูปแบบนี้้าเป็นการซื้อยาเสพติดมาให้กับใจให้ทำเงินให้ใช้เงินทองด้วยการทําบุญทําทานเพราะการทําบุญทําทานนี้เป็นเหมือนซื้ออาหารให้กับจิตใจ อาหารกิเข้าไปแล้วจะให้เกิดความอิ่มความพ อ, อ น, นี่คือเรื่องของทานที่ผู้เจ้า ส, สอนให้ผู้ที่ยังคลองเรือนอยู่ได้ทํากันแล้วก็ให้รักษาศีลคือไม่ทําบาปซึ่งการทําทานนี้มันก็จะช่วยทําให้การรักษาศีลนั้นเป็นไปได้ง่ายเพราะว่าเราจะได้ไม่ได้เราจะได้สกัดความอยากที่จะไปซื้อของไม่จําเป็นของฟุ่งเฟือเนื้อไปกินไปเที่ยวไปกิน ไปดื่มไปกินกันไปดูไปฟังกันนี้เมื่อเราไม่ได้ใช้เงินแบ บ, แ บ, บฟุ่มเฟือยแบบสุรุย่ยสุร่ายเงินทองของเราก็จะมีพอใช้เมื่อเรามีเงินทองพอใช้ความจาเป็นที่จะต้องไปทำบาปก็จะไม่มีเราก็จะสามารถรักษาศีลห้าได้การรักษาศี่ห้านี้ก็เป็นกา ร, การ ก, ก, ารการกำจัดการการกาจัดวาอยาชนิด ที่จะทำให้เราต้องไปเกิดในอบายกันความอยากทำบาปเวลาโกรธใครก็อยากจะทำร้ายเขาหร้อวเวลาอยากได้อะไรเมื่ อ, อยังเมื่อตอนเองไม่สามารถหาได้ด้วยวิธีที่ถูกต้องก็มักจะไปทำร้ายผู้ไปเอาไปขโมยเงินของผู้ไปเบียดเบียนผู้เป็นต้นอันนี้ก็อย่าทำกันเพราะว่าถ้าทำแล้วมันแทนที่จะพาให้เรา พ้นทุกข์มันไม่ได้จับทําให้เราพ้นทุกข์แต่มันกลับจะเพิ่มความทุกข์ให้กับเรามากขึ้นมันจะเพิ่มการเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติของเราให้ยาวนานขึ้นไปตายไปแล้วการที่จะไปสวรรค์ก็จะต้องไปอยู่ในทุกขติกันถ้าเราไม่ถ้าเราไม่หยุดทําบาปันแต่ถ้าเรารักษาสี่ห้าได้การทําบาปมันก็จะไม่เกิดขึ้นเมื่อเราไม่เกิดขึ้นเวลาเราตายไป ร่างกะใจของเราก็จะไปสู่สุขติเพราะเรามีการทําบุญทําทานตามกําลังของเราอยู่แล้วทานเก็จะส่งเราไปสู่สุขติศีลก็จะป้องกันไม่ให้เราใจของเราตกลงไปสู่ทุกขติแต่เราก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เพราะว่าการทําบุญทําทานและการรักษาศีลนี้ยังไม่ได้กําจัดความอยาก ได้หมดสิ้นไปกำจัดความอยากหรือลดความอยากให้เบาบางลงไปได้เท่านั้นเองถ้าอยากจะกำจัดความอยากให้มันหมดสิ้นไปนี้จำเป็นจะต้องปฏิบัติทำขั้นที่สามคือการภาวนาการภาวนานี้จะเป็นวิธีกำจัดความอยากให้หมดสิ้นไปได้อย่างเทา้าอย่างลาบค้าการภาวนานี้ก็มีแบ่งไว้เป็นสองระดับด้วยกันระดับแรกเรียกว่าสมรถาภาวนา หยุดความอยากไว้ชั่วคราวก่อนด้วยการทําใจให้สงบให้นิ่งแล้วเมื่อเราสามารถหยุดความอยากได้ชั่วคราวแล้วขั้นต่อไปแล้วก็ไปเจริญวิปัสสนาภาวนาเพื่อกําจัดความอยากให้หมดไปอย่างถาวรด้วยการเจริญปัญญาความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าการทําตามความอยากจะนําไปสู่ความทุกข์นาไปสู่การเวียนว่ายตายเกิด เมื่อเราเห็นด้วยปัญญาว่าการทําตามความอยากมันจะพาให้เราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเราก็หยุดความอยากถ้าเราไม่อยากที่จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแตการที่เราจะมาภาวนาได้เราต้องมีเวลาเพราะการภาวนานี้เป็นงานที่จะต้องทําตั้งแต่ตื่นจนหลับถึงจะได้ผลดีถ้าเราทำเพื่อเพื่อเป็นเป็นพักๆเป็นเป็นครั้งเป็นคราวนี้ เราจะไม่ได้ผลอะไรมากแต่ก็ได้ประโยชน์ไม่ได้ไม่ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้แต่ได้น้อยจะไม่ได้เป็นกออเป็นกรรมถ้าอยากจะได้เป็นกอเป็นกรรมต้องหาเวลาว่างๆเช่นวันหยุดทำงานให้ไปหาที่สงบแล้วก็ไปปรีกวิเวกไปอยู่ไปปฏิบัติสมถะภาวนาและรักษาศีลแปด เพราการจะปฏิบัติภาวนาได้ดีนั่นจำเป็นจะต้องเพิ่มการรักษาศีลจากศีลห้าให้ขึ้นไปเป็นศีลแปเพราะศีลแปนี้จะสกัดกั้นความอยากที่จะหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นล้นนั่นเองเช่นศีลข้อสามก็จะเป็นการยึดการห้ามไม่ให้มีการร่วมหลับนอนกับใครอริมมจาริยาถ้าถือศีลห้าศีลข้อสามนี้ยังร่วมหลับนอนกับผู้ครองของตนได้อยู่ แต่ถ้าถือศีลปก็จะไม่ให้ไปร่วมหลับนอนกับใครเพื่อที่จะได้เอาเวลาที่ไปร่วมหลับนอนกับผู้นี้มาให้กับการปฏิบัติภาวนานี่เองแล้วก็ศีลก็หกก็ไม่ให้กินอาหารมากเกินไปไม่ให้กินตามความอยากให้กินเพื่อเลี้ยงดูร่างกายร่างกายนี้ถ้าได้รับอาหารวันละหนึ่งครั้งสองครั้งก็ก็อยู่ได้อย่างสบายแล้วไม่เดือดร้อน ไม่ให้รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วเพราะถ้ารับประทานอาหารหลังเที่ยงวันก็ถือว่ารับประทานตามความอยากการทําตามความอยากก็เป็นการส่งเสริมให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเพิ่มมากขึ้นไปนั่นเองถ้าเราต้องการยัยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องยุติการกินอาหารตามความอยากกินตามความจําเป็นของร่างกายซึ่งความจําเป็นของร่างกายเนื้อกินละมื้อสองมื้อก็พอไม่ต้องกินมากไปกว่านั้น แลวการกินอาหารไม่มากนี้มันจะช่วยป้องกันความง่วงเหงาหานอนความเกียดคันที่เราจะไปภาวนากันถ้ากินมากๆแล้วมันจะอิ่มท้องแล้วมันจะง่วงนอนมันจะขี้เกียจถ้าไปนั่งสมาธิมันก็จะนั่งสับประงกหรือบางทีก็ไม่อยากจะนั่งอยากจะนอนเสียมากกว่าก็จะไม่ได้นั่งกันจะไปนอนแทนกันแต่ถ้าเรารับประทานอาหารไม่มากรับประทานอาหารพอประมาณไม่มากเกินไป ร่างกายก็จะไม่ง่วงเหงาเหาหนอนเวลาที่เราจะไปเดินจงกรมนั่งสมาธิเราก็จะได้ไม่ไม่สับประหนกไม่เกลียดการอันนี้ก็คือศิลข้อที่หกสิ่งข้อที่เจ็ดก็คือให้เรายุติการหาความสุขจากการดูมหรสพบันเทิงต่างๆหาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายอันนี้มันเป็นความสุขที่ทาําที่เกิดจากการการมีความอยาก การความสุขแบบนี้มันไม่ได้ทําให้พบชาติลดน้อยลงแต่มันจะส่งเสริมให้เรามีพบชาติเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะทําให้เราเสียเวลาเราจะทําให้เราไม่มีเวลากับการไปปฏิบัติจิตตภาวนานั่นเองแล้วก็เส้นข้อแปดก็ไม่ให้เรานอนมากเกินไปให้เรานอนประมาณสี่ห้าชั่วโมงก็พอร่างกายต้องการพักผ่อนเพลิสี่ห้าชั่วโมงถ้านอนบนเตียงบนฟูกหนาๆนะมันก็จะนอน พอร่างกายตื่นขึ้นมาแล้วหลังจากสี่ห้าชั่วโมงตื่นขึ้นมาแต่ความอยากจะนอนมันพราะมันสุกมันสบายมันยังยังมีอยู่มันก็จะนอนด้วยนอนด้วยความอยากก็เป็นการส่งเสริมความอยากส่งเสริมพพชาติให้มีมากขึ้นไปวิธีไม่ส่งเสริมก็คือเราต้องนอนบนที่นอนที่ไม่สบายนอนบนพื้นแข็งๆปู ด, ด้วยผ้าหรือปู ด, ด้วยเสือ่อก็พอพอร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนพอแล้วพอตื่นขึ้นมา ความอยากจะนอนต่อมันก็จะไม่มีเราก็จะได้มีเวลาที่จะลุกขึ้นมาปฏิบัติธรรมต่อไปได้ปฏิบัติจิตตะภาวนาต่อไปได้นี่คือหน้าที่ของการภาวการรักษาสินรักษาสินแปดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติจิตตภาวนาเนะมื้อต้นเราต้องการเจริญสมถะภาวนาก่อนก็คือทำใจให้สงบก่อนหยุดความอยากไว้ชั่วคราวก่อน เพราะการเจริญสมถะนี้มันเป็นเป็นการเจริญที่ง่ายกว่าการเจริญปัญญาก่ อ, อนที่เราจะไปขั้นที่ยากกว่าเราต้องผ่านขั้นที่ง่ายกว่าให้ได้ก่อนเพราะการเจริญสมถะภาวนานี้ขอให้เรารู้รู้จักวิธีเจริญเจริญสติอยู่เรื่อยๆเราก็สามารถที่จะทำใจให้สงบได้วิธีเจริญสติก็ต้องมีกรรมฐานหรือเรียกว่าอารมณ์ไว้ผูกใจมัดใจไว้ไม่ให้ลอยไปลอยมา ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่าง ๆ, ๆกรรมฐานนี้ก็มีอยู่ถึงสี่สชนิดด้วยกันแต่กรรมฐานที่เรามักจะใช้กันทั่วไปนี้ก็คือพุทธานุสติก็คือให้เราลึกถึงชื่อของพระพุทธเจ้าเช็นพุทโธพุทโธถ้าเราพอลืมตาขึ้นมาตื่นขึ้นมาเราเริ่มพุทโธพุทโธให้ใจเราเกาะติดอยู่กับพุทโธพุทโธไปไม่ว่าเราจะไปทํำกิจ อะไรเช่นอาบน้ําล้างหน้ า, น า, นาแปลงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารในขณะที่ทํากิจเหล่านี้เรามีพุโทโธพุธโทโธคอยกํากับใจใจของเราก็จะไปลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ไม่ได้ใจก็จะตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันแล้วพอเรามานั่งสมาธินั่งหลับตาแล้วเราก็นั่งพุโทโธต่อไปความคิดต่างๆก็จะไม่เข้ามารบกวนทําให้ใจเราสงบได้ง่ายหยุดความหยุดความคิดหยุดความอยากได้ เพราะความอยากนี้อาศัยความคิดถ้าเราไม่คิดความอยากมันเกิดขึ้นมาไม่ได้แต่พอเราคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ความอยากจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะตามม า, าทันทีแต่ถ้าเราหยุดความคิดได้ความอยากก็ไม่สามารถที่จะไปอยากกับอะไรได้อันนี้คือเบื้องต้นของวิธีการควบคุมความอยากตัดกำลังความอยากให้มันนิ่งให้มันสงบให้มันอยู่เฉยเชั่วคราว ขณะที่จิตสงบนิ่งนี้ความคิดไม่มีความอยากก็ไม่มีช่วงที่ไม่มีความอยากนี้จิตก็จะอยู่ในสภาพที่มีความสงบมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เคยได้จากการเสดลูกเสียงกฤฤฤฤฤิรลดโพธิภพจากการได้เสดโลกกะระทำทั้งสี่มันก็จะทำให้เราเห็นความต่างระหว่างความสุขที่เราได้จากการจเจริญสตินั่งสมาธิกัน ว่ามันเป็นความสุขที่ดีกว่านะ่าเป็นความสุขที่มั่นคงกว่ายั่งยืนกว่าเป็นความสุขที่เราสามารถที่จะมีได้ตลอดเวลาเพราะว่าเป็นความสุขที่เราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือถึงแม้ว่าร่างกายจะแก่หรือจะเจ็บหรือจะตายเราก็ยังสามารถที่จะมีความสุขที่เกิดจากความสงบจากการเจริญสตินั่งสมาธิของเราได้อยู่มันก็จะทําให้เราเริ่มเห็น เห็นประโยชน์ของการทำใจให้สงบเห็นประโยชน์ของความสุขที่เกิดจากความสงบและเห็นโทษที่เกิดจากการจักความสุขที่ได้จากการไปเสบรูรปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพชชนิดต่างๆมันก็จะทำให้เราเริ่มเกิดปัญญาขึ้นมาเริ่มเห็นแล้วว่าความสุขที่ไดจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นความสุขชั่วคราวที่มันจะต้องกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเวลาที่มันไม่สามารถหามาเสบไดมันก็จะทาให้เรา ไม่อยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่อไปเพราะเห็นเห็นโทษของการเสพรูปเสียงกลิ่นรสว่าเป็นความสุขไม่ยั่งยืนเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ปวดก็จะไม่สามารถที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณได้แต่ความสุขที่เราได้จากความสงบนี้มันเป็นความสุขที่เราหาได้ตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายจะอยู่ในสภาพใดก็ตาม ตอนนั้นเราก็เวลาเราออกจากสมาธิมาเราก็ใช้ความรู้อันนี้มาคอยสอนใจเวลาที่เราเกิเวลาเกิดความอยากที่จะไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสลุยเวลาเกิดความอยากที่ไปหารากยศสรรเสริญมาเสพเราก็พิจารณาด้วยปัญญาว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปเวลาหมดไปมันก็ทําให้เราอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวได้เหมือนกับไม่เคยมีมาก่อน พอเราเห็นภัยเห็นโทษเห็นความทุกข์ที่เกิดจากการไปเสพ ร, ราบยศสรรเสริญสุขแล้วเราก็ไม่อยากจะเสพติดต่อไปความอยากที่เคยเสพอยากจะมีความสุขจากโลกธรรมก็จะหายไปเราก็จะหยุดความอยากที่จะหาความสุขจากราบยศสรรเสริญ จ, จากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ได้ด้วยปัญญาเพราะเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นของชั่วคราว มันเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ไม่สามารถที่จะสั่งให้มันให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาเหมือนกับความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบปราศจากความอยากต่อไปเราก็จะคอยสกัดความอยากต่างๆเวลาที่เราออกจากสมาธิมาพอมันอยากได้อะไรเราก็จะพิจารณาว่าความอยากนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้ใจเราวุ่นวายถ้าเราไม่มีความอยากแล้วใจเราก็จะสงบใจเราก็จะมีความเย็นมีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปมีอะไร ต่อไปเราก็จะใช้ปัญญานี้คอยส ก, กัดความอยากใช้ปัญญาก็คือตายักเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ความอยากต้องการเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนาัตตาเราไม่สามารถควบคุมบังคับให้มันเที่ยงได้ให้มันอยู่กับเราให้ความสุขกับเราได้ตลอดไปเวลาไม่เวลามันหมดไปมันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพอเห็นด้วยปัญญาแล้วต่อไปความอยากต่างๆก็จะหมดไปจากใจ พอเห็นพอ ร, รู้ว่าการทำตามความอยากนี้จะนำไปสู่ความทุกข์นั่นเองนี่ก็คือเป็นการการกาจัดความอยากที่ถาวรต้องกาจัดด้วยปัญญาหรือวิปัสสนาภาวนาแต่ก่อนที่เราจะไปวิปัสสนาภาวนาได้เราต้องผ่านสมถะภาวนาทำใจให้สงบให้ได้ด้วยสติก่อนให้เห็นว่าเวลาใจสงบแล้วไม่มีความอยากความ นั่นเป็นเป็นอย่างไรใจมีความสุขมากที่สุดก็คือช่วงที่ไม่มีความอยากแต่สติไม่สามารถหยุดความอยากได้อย่างถาวงพอจากสมาธิมาความอยากที่เคยถูกกำลังของสติกกดไว้ไว้มันก็ออกมาทำงานก็เลยต้องใช้ปัญญามาสอนใจให้เห็นโทษของความอยากพอใจเห็นโทษด้วยความอยากว่าเห็นว่ามันเป็นนำไปสู่ความทุกข์ ใจก็จะไม่อยากติดต่อไปแล้วก็จะเป็นคำไม่อยากอย่างถาวรโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิต่อไปเวลาใจไม่มีความอยากแล้วจะอยู่ในสมาธิหรืออยู่นอกสมาธิใจก็สงบมีความสุขเหมือนกันเพราะใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงแล้วการที่จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดติกต่อไปก็จะไม่มีอีกต่อไปนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราฐานตัวเราเองว่า วันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังปฏิบัติทานศีลภาวนาหรือว่าเรากำลังไปหาราบยศสารเสงสุขกันถ้าเรายังหาราบยศสารเสงสุขอยู่เราก็ต้องคอยลดลดให้มันน้อยลงไปแล้วก็เอาเวลามาหาความสุขจากการปฏิบัติทานศีลภาวนาให้มีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับลดลดทานโลกลงแล้วก็เพิ่มทางธรรมให้มีมากขึ้นไป ต่อไปเราก็จะสามารถปฏิบัติในทางธรรมได้ร้0ยเปอร์ซทางโลกเราก็จะยุติได้เมื่อเราปฏิบัติทางธรรมได้ร้0ยเปซไม่นานผลต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือประโยชน์จากการที่เราไม่มีความประมาทมันพิจารณาถึงความตายอยู่เรื่อยๆพิจารณาว่าร่างกายของเราเป็นของไม่เที่ยวเป็นของชั่วกรา ก่แล้วในที่สุดก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปดังนั้นก่อนที่ร่างกายนี้จะตายไปขอให้เราเอาร่างกายนี้มาทำคุณทบประโยชน์ให้กับจิตใจของเราให้จิตใจของเราได้หลุดพ้นจากการที่จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนนั่นนำม า, มาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปูราตาริกปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตจินังเตตาังอุปกปติอิชิตังปะชิตังตุมหังค um ิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสักปา จันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโคมินัสตุมาเตภวะตะวันตรายุสุขีทีกายุโกภวะอภิวาธนสีลิสะนิตจังุทาปจายโน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 วันนี้มีผู้รับฟังธรรมะจากทาง a ฟ e b o o k พระอาจารย์สุชาติห้ารอยี่สิบเก้าท่าน t u b e พระสุชาติไลฟ์สามร้อยสามสิบยูทู u ดรวีเจ็ดสิบสองคฮ์เจวิทยุออนไลน์แปดนาคกุศ2สองร้อยสิบห้ารวมทั้งหมดหนึ่งพันหนึ่งรอยหกสิบหนึ่งท่านค่ะอันนี้มีพิกษุณีมาเป็นชาวไทยหรือเปล่ามาจากอินโดนีเซียค่ะพระอาจารย์ You speak English or speak Thai? Uh, a little bit English and a little bit Thai. <laughs> okay. So, do uh, you want to say anything or ask anything? Uh, we come from Indonesia. Yes. Yeah. And we hear your Dharma from YouTube and Facebook. Yes. So this time we have. Chance to see you here. Okay. This is uh, very happy. If you have any question you want to ask, you are welcome to ask now. Uh, ada yang mau bertanya dengan b a t k Ada pertanyaan? o question. s <laughs> uh, but we we will ask your. โ อ, อ ก, กัสถ่ารูปกัสรางงานค่ะเดี๋ยวเราให้ f i n i s ก่อนค่ะไ ม, ไม่นานจะ เ, เสร็จแล้วก็ค่อยมาถ่าย<ะ> <Okay. S 2> รูปโอเคคำถามว่าจะถามได้ไหมคำถามจะผู้รับฟังนะกุศค่ะเวลาเจอทุก์จะบอกตัวเองอย่างไวๆให้หยุดหรือเตือนสติด้วยคำหรือการกระทำอย่างไรดีเจ้าค่ะ ก็ถ้าเป็นทุกข์ทางใจมันก็ต้องบอกว่ามันเกิดจากความอยากของเราพยายามหยุดความอยากทำใจให้นิ่งใช้พุทโธพุทโธพุทโธใช้สติหยุดความคิดหยุดความอยากไว้ชั่วคราวก่อนแล้วความทุกข์ก็จะหายไปถ้าเป็นความทุกข์ทางใจถ้าเป็นความทุกข์ทางร่างกายมันก็เป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เราก็ต้องปล่อยมันทุกข์ไปเช่นปวดท้องปวดศีรษะ มันจะปวดศีรษะปวดท้องก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปรักษาได้ก็รักษาไปแต่เราถ้าเราไปอยากให้มันหายทันทีโดยที่ไม่ได้ทําอะไรมันก็จะเพิ่มความทุกข์ทางใจขึ้นมาอันนี้มันอยากไปเพิ่มความทุกข์ทางใจเวลาเกิดความทุกข์ทางร่างกายความทุกข์ทางร่างกายมันจะเรื่องของอนิจจังอนัตตามันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ดับเองมันมีเหตุมีปัจจัยที่เราไม่สามารถไปห้ามไปบังคับได้ ถ้าเราแก้ได้ก็แก้ไปแก้ไม่ได้ก็ต้องทนอยู่กับมันไปจนกว่ามันจะหายไปแล้วทางทุกข์ทางใจก็จะไม่เกิดคำถามจากผู้เัาฟังนากูดค่ะหนูมีความเครียดง่ายเมื่อถูกเจอเรื่องที่ต้องกังวลจะปล่อยวางไม่ได้เมื่อรู้ว่าต้องปล่อยวางแต่ในทางปฏิบัติทำไม่สำเร็จต้องฝึกฝนเพื่อแก้ไขยอย่างไรคะต้องฝึกสติให้มากๆแล้วก็นั่งสมาธิให้บ่อยขึ้น เพราะถ้าเรามีสติเราก็จะทําใจให้นิ่งได้เมื่อใจนิ่งแล้วนะทุกก็จะไม่เกิดขึ้นทุกที่เกิดก็จะดับไปเพราะเราทําใจเราปล่อยวางได้อนนี้เราปล่อยไม่ได้เพราะเราไม่เคยฝึกปล่อยวางกันมาก่อนให้นะักพยายามฝึกปล่อยวางกันด้วยการฝึกสตินั่งสมาธิ กลับนมัตการค่ะท่านอาจารย์พูดใกล้ใกล้ปากหนยดังงหน่อกลับนมัตการค่ะพระอาจารย์อ่านหนังสือธาตุรู้นะคะหน้าเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดนะคะ อ, อยากทราบว่าเข้ารูปชาญอรูปชาญ น, นะคะถ้าเข้าแล้วจะเป็นยังไงคะเพราะท่านอาจารย์บอกว่าจะจะติดอะคะ่ะมันก็มันก็เป็นความสุขเหมือนกัเนเป็นความสุขที่เราได้อยากไปเที่ยวกัน แต่มันมีนความสุขที่ละเอียดกวา่าเป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายแต่มันก็ยังเป็นความสุขที่ทําให้เราติดได้ถ้าเรายังติดอยู่เราก็จะกลับมาเกิดต่อไปได้อแต่ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดเราก็ต้องอย่าไปอย่าไปเสดมัน <cz> เลิกเลิกเสดความสุขจากรูปฌานและรูปฌานด้วยการอยู่เฉยๆทําใจให้ว่างปัดสจากความความคิดปรุงแต่งปัดสจากความอยากแล้ว เราก็จะได้ไม่ต้องไปไปเสพมันอีกต่อไปมันก็ยังเป็นเหมือนยาเสพติดอยู่ <S <S คนที่ติดยากับคนไม่ติดยาใครสบายกว่ากันใช่ไหมคนติดยาก็ต้องมียาคอยเสพู่เรื่อยเวลาไม่มียาเสพก็หงุดหงิดลำคาญใจแต่คนที่ไม่เสพคนที่ไม่ไม่เสพยาก็สบายไม่มียาก็ไม่เดือดร้อนอันนี้ก็เหมือนกันคนที่ติดชาญติดรู ป, ปรชาญรู ป, ปรชาญมันก็เวลาไม่ได้รูปรชาญหรือรู ป, ปรชาญมันก็หงุดหงิด เป็นคนธรรมดาหรือว่าเป็นอ่นนี้ระดาับพระอริยะาายขั้นสุดท้ายแล้วขั้นสูงสุดแล้วแล้วถ้า อ, อย่างนั้นจะมีสอนไหมคะมีครูสอนไหมคะว่าออกอยังไงเพราะว่าอย่างเป็นทางโลกอ่ะพระอาจารย์สอนได้ว่ า, ามีพระอาจารย์สอนว่าต้องออกจากความทุกข์ยังไงอย่างเงี้ยค่ะแต่เพราะว่าติดรูปประชานรูประชานขั้นนั้นเ้าจะมีขั้น ง, ง่ายๆก<อ>็อยากเข้ามัน อ, อยาไปเข้าชาน มีทางเลี่ยงอื่นใช่ไหมคะที่ไม่ต้องเข้ารูกประชานะลูกประชานก็มีเพียงแต่เห็นว่ามนันมันเป็นยาเสพติดก็ไม่เข้าแล้แหละเพราะฉะนั้นแล้ว <laughs> ลท่านพระโสดา บ, บันท่านต้องผ่านขั้นนี้ด้วยไหมคะอะโสดาบันยังไปไม่ถึงขั้นนั้นโะสดาบันยังติดร่างกายอยู่ต้องปล่อยร่างกายก่อนยังรักร่างกายยังไม่อยากให้มันแก่มันเจ็บมันตายค่ะต้องปล่อยให้ยอมยอมให้ร่างกายแก่เจ็บตายก็จะเป็นโสดาบันได้ค่ะ ส่วนอนาคามียังมีความอยากมีแฟนอยู่ยังเห็นร่างกายของแฟนสวยงามน่ารักอยู่ก็ต้องเจริญอสุภะมองให้เห็นสิ่งอาการสามสบสองของร่างกายแล้วเห็นร่างกายตอนที่เป็นซากศพเห็นแล้วมันก็จะไม่มีความอยากจะเสพการต่อไปอันนี้ขั้นอนาคามีพอมันไม่ได้เสพร่างกายไม่ได้เสพกามมันก็ไปติดกับรูปประชานรูปประชานก็ต้องไปหยุดตัวนั้นอีกทีหนึ่งทีนึง แล้วก็จะได้หมดจะได้เรื่องปัญญาเสพติดทั้งหมดเราจะถึงขั้นนั้นจะทราบไหมคะ ว, ว่านี่คือขันน้นรูประชาญแล้วรูประชาญแล้วอย่างเนี้ยค่ะครับทบผู้ปฏ<า>ิบัติย่อมเห็นเองรู้เองเข้าใจเองสันติโก<า>แล้ววิธีออกก็คือต้องออกได้ตัวเองมีครูคือไม่ต้องเข้า ม, มันก็ไม่ต้องออกพันยังเป็นแต่หยุดความอยากเข้าตนเองพอไม่มีความอยากเข้าใจก็สบายเหมือนกับได้เข้าฌานโดยอัตโนมัติ คืออันนี้รักษาศีลแปดอะค่ะแล้วมันก่อนไม่แน่ใจว่าผิดศีลหรือเปล่าในการพูดคุยกับเพื่อนอในการอาจจะไม่สำรวมอินชีนอ๋อยังไม่ผิดสีแปดเหรอสีแปดห้ามเพียงแต่ไม่ให้ไม่ให้พูดปดเท่านั้นเองออแต่พูดคำยาพูดเพิร์เจอพูดส อ, ส น, อนสีนี้ยังเป็นศีลของนักบวชถ้าเราเป็นนักบวชเป็นแม่ชีเ้วก็ควรที่จะรักษาค่ะ ถ้าเกิดว่าเราชิมอาหารแล้วเราแค่บอกว่ารสอาหารนี้เป็นยังไงแบบเนี้ยผิดด้วยไหมคะไม่ผิดหรอกใชเพียงแต่ามันเทอเจอ้อมันไม่มีประโยชน์อย่าไปพูดดีกว่าพูดว่ า, าไปนั่งสมาธิดีกว่าไปเดินยงกรมดีกว่าชูค่ะขอบคุณชูณค่ะคำถามจากผู้รับฟังหนะ้ากุด ค, ค่ะ หากต้องทนอยู่กับผู้ที่มีศีลศรัท ธ, ธาปัญญาจากกะไม่เสมอกันจะใช้หลักธรรมใดบ้างที่จะทําให้อยู่ร่วมกันได้คะใช้เมตตาใส่แผนเมตตาให้กับเขาสเปสัตาอขอให้เขามีความสุขสุขเอัตานังกาลิหะรันตอุอย่าไปยากแย่ว่าเขาเป็นคนชั่วคนไม่ดีแล้วเราต้องไปเกลียดชังเขามองเขาว่าเขาเป็นเหมือนสัตว์ทั่วไปมีเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกัน ต้องการความสุขเหมือนกันเราก็ให้ความสุขเขาไปแล้วเราก็จะมีความสุขจากการที่เราอยู่กับเขาให้ความสุขกับเขาที่เราไม่มีความสุขเพราะเราเกลียดเขาอยากจะให้เขาหายไปไม่อยากจะอยู่ใกล้เขาแต่พอเราเพลิกใจแล้วอ่ะไหนๆจะต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่กันแบบรักกันดีกว่า<ม>ก็เลยให้ความสุขกับเขามีขนมก็แบ่งให้เขากินมีอะไรก็อมีอะไรทําก็ชวนเขาทาด้วยอะไรทํานองนี้ไป ให้มีความสุคำถามจากผู้รับฟังหน้ากุดค่ะลูกสามารถเดินปัญญาได้หรือไม่คะการปฏิบัติของลูกปฏิบัติถูกต้องหรือยังคะคือการเจริญปัญญามันมีสามระดับด้วยกันระดับแรกก็คือเจริญปัญญาด้วยการศึกษาและยินได้ฟังฟังเทศฟังธรรมนี่ก็เป็นการเจริญปัญญาระดับแรก ระดับที่สองก็คือเอาทาที่เราได้ยินได้ฟังมาพิจารณาอยู่เนือ ง, องมาคิดอยู่บ่อยๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมระดับที่สามก็คือเราต้องไปปฏิบัติจิตตภาวนาทําใจให้สงบแล้วก็พิจารณาปัญญาอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นระดับที่สระดับที่สามนี้เป็นระดับเดียวที่สามารถละสังโยชน์ละกิเลสได้ระดับที่หนึ่งที่สองนี้ยังไม่มีกําลังพอที่จะละได้ ทำจากคุณโยโยค่ค่ะเวลาใกล้จะตายใกล้จะสิ้นลมน่ากลัวไหมครับจะทุกข์ทรมานไหมครับเราควรจะวางใจอย่างไรครับยังกลัวตายอยู่ครับก็นั่งให้มันเจ็บดูเลยนั่งให้มันเจ็บแล้วอยากไปขยับแล้วนั่นแหละคือความเจ็บที่เกิดเกิเกิดขึ้นเวลาที่เราจะตายแล้วเราก็ฝึกจิตทําใจให้วางเฉยให้ได้พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปอยากให้มันไม่เจ็บอย่าไปอยากให้ความเจ็บหายไป แล้วความเพียรความทรมารจะไม่เกิดขึ้นในใจแล้วใจก็จะสงบใจก็จะรู้สึกว่าความเจ็บความตายนี้มันเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดาที่เรามันไปตื่นเต้นตกใจเพราใจเราไปไปคิดไปหลงไปไปกลัวมันเท่านั้นเองแต่ถ้าเราฝึกรูปฝึกรู ป, ร, ปรูปหัวเสืออยู่เรื่อยๆต่อไปเสือมันก็ไม่น่ากลัวความเจ็บมันก็ไม่เป็นเหมือนเสือพอเราเจอบางทีเราเราเกิดความเกรงขึ้นมาทันทีเราต้องพยายามคลายความเกรง ทำใจให้นิ่งให้สงบใช้สติพุโทโธพุโทโธไปต่อไปปัจจัยแล้วก็จะหายเกรงหายเครียดแล้วความเจ็บถึงแม้จะเป็นเหมือนกับหัวเสือมันก็จะเป็นเหมือนหัวแมวไปรูกปกันได้อย่างสบายคําถามจะพูดรับฟังทางบ้านค่ะทําธุรกิจแล้วมีปัญหาเป็นหนี้เวลาปฏิบัติธรรมจิตหมกมุ่นอยู่กับปัญหาขอพระอาจารย์แนะนําด้วยค่ะ ก็ต้องแก้ปัญหาให้มันจบก่อนแล้วค่อยมาปฏิบัติธรรมคนที่จะปฏิบัติธรรมได้นนต้องเป็นคนที่ไม่มีภารกิจการงานไม่มีปัญหาต่างๆคำถามจากทางยูทู u ด e อกตอร์วีค่ะ ในกรณีที่เราเลือกทําทานอย่างที่ได้ยินว่าเมื่อนาดีผลของการหวานข้าวย่อมได้ดีไปด้วยเช่นนี้แล้วการเลือกบุคคลที่เราจะทำบุญด้วยจะกลายเป็นกิเลสสาเหตุเพราะอยากได้บุญมากไหมคะการอยากได้บุญไม่เป็นกิเลเป็นธรรมเพราะบุญจะนำความสุขและความดุดพ้นจากความทุกข์มาให้กับเราแล้วเราก็ต้องหาหาบุญที่สูงสุดคือบุญจาก จากการได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ดีจากพระอาจารตสาวก็ดีอันนี้จะเป็นบุญที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นดังง่ายได้และรวดเร็วคำถามจากท่านเดิมค่ะการวางใจเมื่อเราทำทานแม้ใจเราอยากจะทำให้ได้มากกว่านั้นแต่งบประมาณจำกัดพอทำไม่ได้อย่างที่อยากทำบางครั้งกลายเป็นความหม่นหมองไปเจ้าค่ะอันนั้นเป็นกิเลสแล้วนะพะทาเกินกาลังของเรา ทำ ต, ตามกำลังของเรา ท, ทํเท่าเท่าที่เรามีทําที่เราทําได้ถ้าทํานอกเหนือไปนั้นก็เป็นความอยากก็เป็นเป็นกิเลสขึ้นมาทันทีพอไม่ได้ทามันก็ทุกทาไม่ได้มันก็ทุกขึ้นมาคำถามจากทางเฟ e บุ๊กค่ะโยมมีลูกชายสองคนจะบวชและลูกจะบวชเป็นพระลูก รูปยมมีลูกชายสองคนจะบวดลูกชายปีหน้าแต่มีคนทักว่าเขาไม่ให้พี่น้องบวชพระพร้อมกันจะมีอันเป็นไปในครั้งพุทธกาลมีพี่น้องบวชพระพร้อมกันได้ไหมคะได้ไม่มีข้อห้ามหรอ คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะวลานั่งสมาธิมันจะรู้สึกเฉยเฉยควรจะปล่อยหรือจะต้องพิจารณาอะไรไหมเจ้าคะไม่หรอกต้องการให้มันเฉยเฉยนานที่สุดข้าดียนานได้ให้มันฝึกเป็นนิสัยเวลาออกจากสมาธิต่อมาเวลาออกมาใครด่าเราก็เฉยเฉยใครว่าอะไรเราก็เฉยเฉยใครเอาแฟนเราไปเราก็เฉยเฉยเราก็จะไม่ทุกข์ <c oughs> คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะถามว่าแสดงว่ารูปฌานกับอรูปฌานคือระดับพระอนาคามีใช่ไหมคะคือมันมีสมันมีฌานแบบสองแบบฌานที่ได้จากการละสังโยชน์กับฌานที่ก๊อปหยุดความคิดเนี่ย ม, มันก็เป็นชันก็เป็นฌานเหมือนกันแต่ที่มามันต่างกันข้าของปุตุชนนี่เขาใช้สติ คอยควบคุมหยุดความคิดมันก็ได้แต่มันเป็นความบัญชาญแบบชั่วคราวมันบัญชาญที่ไม่ใช่เป็นอัตโนมัติต้องคอยใช้ส ต, ติหยุดความคิดมันถึงจะได้แต่ชาตที่ได้จากพระการบรรลุเป็นพระนาคามเม่นี้มันไปกําจัดตัวที่ทําให้ใจไม่สงบไม่เป็นชาตก็คือความอยากเสพกามนี่เองพอเราต่ายความอยากจะเสพกามได้อยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนได้ใจมันก็จะสงบเหมือนกับได้เข้าชาตไป คำถามสักทางเฟซบุ๊กค่ะการปฏิบัติเมื่อจิตเป็นอุเบกขาวางเฉยทุกอริยาบทถึงขั้นนี้แล้วเหมาะแก่การเดินปัญญาใช่ไหมครับและในกรณีที่จิตว่างเห็นความคิดทุกอริยาบทนี้คือขั้นไหนครับขั้นสติถ้าเห็นการเคลื่อนไหวอยู่มันยังเป็นขั้นสติอแต่ถ้าเห็นตายลักนี่มันก็ถึ ง, งเป็นขั้นปัญญา ถามจากทางผู้รับฟังนักขุดค่ะคู่ของเราขี้หึงกับพ่อและน้องของเราก็หึงหากได้รับความรักมากกว่าที่ตนจะได้ไม่เข้าใจความหมายความว่ า, าสามีน่าจะขี้หึงนะคะแม้กระทั่งว่าเห็นเรารักพ่อหรือน้องมากกว่าก็จะเหมือนจะอิจฉานะคะก็ห้ามก็ไม่ได้มันเป็นนิสัยของเขาเขปล่อยเขาหึงไป คำถามจากทาง a ฟ e b o o k ค่ะมีวันหนึ่งนั่งสมาธิและเห็นความนิ่งของจิตและกายพร้อมกันรู้สึกว่าอันนี้คือความละเอียดของธรรมอีกขั้นหนึ่งใช่ไหมคะใช่เวลาจิตสงบนี้มันก็จะละเอียดจิตก็จะละเอียดลงไปหมดแล้วใช่ไหมมีอีกคำถามหนึ่งค่ะ พอแม่ครูอาจารย์เวลาหลับพักผ่อนยังเจริญสติภาวนาอยู่ตลอดไหมครับเวลาหลับไม่มีการเจริญนะมันหมดสติหลับโอเคหมล้วใช่ไหมหมดแล้วค่ะโอเคขอให้ท่านทงนําเอาเสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด <c oughs> <c oughs>